อาขอสวัสดียามบ่ายตอนบ่ายนี้หลังจากเราทานอาหารกันแล้วก็จะบรรยายเล็กน้อยนะพูดให้มันชัดเจนในเรื่องของโพธภารมคือปกติเราจะต้องมีความเข้าใจถึงสภาวะ ที่มีความรู้เรื่องสภาวะที่สําคัญสําคัญอย่างเคยบอกว่านิมิตลมหายใจออกลมหายใจเข้าไม่เป็นอารมณ์ของจิตดวงเดียวหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยพออธิบายให้ฟังเรื่องของนิมิตเรื่องของลมก็พยายามที่จะให้จิตผู้รู้ ไปขวางตัวอยู่ที่นิมิตพอไปขวางตัวอยู่ที่นิมิตแล้วก็ไปรู้ลมออกจิตผู้รู้ก็จะเกิดการอะไรกวัดแกงกวัดแกงยังไงอยู่ที่นิมิตก็กวัดแกงไปที่ลมออกอยู่ที่ลมออกกวัดแก่งไปที่นิมิต อยู่ที่นิมิตกวัดแกว่งไปที่ลมเข้าอยู่ที่ลมเข้ากวัดแกว่งไปที่นิมิตเพราะอะไรเพราะว่าจิตผู้รู้เป็นอารมณ์อันเดียวกันกับนิมิตและลมหายใจออกลมหายใจเข้าเพราะฉะนั้นสามอย่างนี้เขามีธรรมชาติของเขาเป็นธรรมชาติต่างหากนั่นจิตผู้รู้จะไปฝัง ตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งไม่ได้แต่มิมิตนั้นจะเป็นเพียงบริเวณเข้าใจไหมจะเป็นโซนเป็นนิมิตโซนอาถึงโตจะเป็นนิมิตโซนนิมิตโซนไม่ได้เป็นสลิปโซน เป็นนิมิตเป็นนิมิตโซนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจตามนี้ว่าเขาแยกจากกันแค่เป็นบริเวณสำหรับที่จะคือลมออกหรือลมเข้าเขากระทบกับประสาทกายประสาทกายเรามีอยู่ทั่วตัวใช่ไหมแต่ประสาทกายที่ว่านี้มันอยู่ตรงบริเวณช่องจมูกหรือเหนือริมฝีปาก ตรงนี้มีประสาทไหมมีเซล์ประสาทใช่ไหมมีประสาทกายสําหรับที่จะรับรู้ต่อสิ่งที่กระทบเอานิ้วไปแตะนี่รับรู้ได้นี่รับรู้ด้วยอะไรด้วยประสาทกายถูกป่ะเอด้านในนี่ก็รับรู้ด้วยประสาทกายเนี่ยรู้แย่โควิดอะรับรู้ด้วยประสาทกายใช่ไหมนั่นคือไอ้ตัวที่เข้าไปแตะและให้เกิดการรับรู้นั้น่นคือตัวโพตภารมณ์ทั้งนั้น แต่เราไม่ได้พูดถึงโผฏพารลมอื่นเราพูดถึงอะไรวายโยธาพูดถึงลมอารมณ์ที่เราหายใจออกมาตั้งแต่ต้นลมจนสุดลมนั้นมันเป็นโผฏพารลมตรงไหนตรงที่มันกระทบกับประสาทกายเออตั้งแต่ต้นลมเนี่ยเราคิดว่าลมที่มันกระทบกับประสาทกายทั้งหมดไหม ถูกไหมเออที่มันกระทบกับประสาทกายก็คือชั้นลมด้านนอกถ้าลมมันเป็นวงอย่างนี้เห็นไถ้าลมมันเป็นวงอย่างนี้มันไหลออกมาผิวลมด้านนอกมันจะ ก, กระทบกับประสาทกายแล้วจิตพรู้เข้าไปรู้สึกได้ถูกไหมเข้าไปรู้สึกได้แล้วก็เฝ้ารู้ต่อลมที่เป็นโพธิภพ คือที่มากระทบต่อประสาทกายนั้นซึ่งเขาสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดลมซึ่งณนะขณะนั้นมันจะมีเนื้อในของมันที่ไม่ใช่ผิวของวายโยธาละซึ่งไม่ได้กระทบเลยมันมันสามารถที่จะรู้สึกได้ไหมมันไม่สามารถที่จะ รับรู้สึกได้ด้วยจิตผู้รู้ที่ยังหยาบอยู่แต่ถ้ากระทบไปเรื่อยๆจิตผู้รู้ที่ละเอียดอยู่เขาอาจจะรู้สึกได้ถึงลมข้างในชั้นที่ไม่ได้มาแต่นั้นด้วยอืมมันจะละเอียดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เราต้องเข้าใจว่านิมิตเป็นเพียงแค่บริเวณสําหรับที่จะรู้ ลมที่เป็นโผล่ถ้าพารลมทีนี้ลมเข้าที่เป็นโผล่ถ้าพารล์ก็เหมือนกันอีกลมเข้าที่เป็นโผล่ถ้าพารลมมันก็เยอะแต่ที่เป็นโผล่ถ้พารล์เฉพาะลมเข้าที่มันกระทบกับกายประสาทซึ่งอยู่บริเวณโพรงจมูกคือทางเข้าออกของลมบางทีเราบอกเอ๊ะทําไมโอนหายใจเข้า มันรู้สึกตรงนี้ด้วยแล้วมันรู้สึกลึกเข้าไปอีกะก็ไม่แปลกถ้าลมมันกระทบได้มันก็รู้สึกได้เหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่ลมออกเรารู้สึกตรงไห น, นลมเข้าเราก็จะรู้สึกตรงนั้นรับรู้ได้ตรงนั้นเมื่อเราภาวนาไปเรื่อยๆเรื่ยๆเรๆส่วนที่จะมากระทบ ที่เกิดเป็นโพธัาพารมก็จะเป็นจุดเดียวกันแล้วลมก็จะสั้นลงละเอียดลงจิตผู้รู้ที่รู้โผฏัาพารมอยู่อย่างนั้นก็จะให้ฐานเป็นความตั้งมั่นของจิตเกิดเป็นสมาธิขึ้ น, นกขณะที่เรารู้ลมโพฏัาพารมรู้ลมยาวรู้ลมยาวตามระยะเวลาอยู่นั้น ผู้รู้อาจจะเห็นเกิดการเห็นขึ้นได้ในสภาวะต่างๆอาจจะเห็นความคิดอาจจะเห็นความคิดอาจจะเห็นอะไรก็ได้มันเพียงแค่ทำหน้าที่เห็นเห็นแล้วก็จบไปมันเห็นแล้วไม่ใช่ว่าเราจำเป็นจะต้องวิ่งเข้าไปหาแค่เห็น ในชั้นที่มันยังแยกรู้แรกเห็นไม่ออกแล้วก็เห็นนั่นแหละแล้วก็เรียกว่าแค่รู้แต่กิจของเราคืออะไรรู้ลมที่เป็นโพฏภาพลมให้มันชัดเจนแม่นยำชํานาญไหวอาจจะเห็นความคิดหรือเห็นเจตสิกเห็นเจตนาเห็นผัสสะ เห็นได้เยอะมากที่เป็นสภาวะแต่เราก็แค่รู้และทำกิจของเราคือรู้ลมที่เป็นโผฏฐารลมนั้นต่อไปเริ่มต้นมันก็จะเป็นลมที่เกิดเป็นโผฏฐารลมนานคือการคลูดของลมที่ออกไปนั้นต่อเนื่องและนานเราเรียกว่ารู้ลมยาว พอรู้ไปรู้ไปรูปไปรูปไปกายนิ่งลมปราณีดมากเข้าตัวที่เป็นโผตภารลมมันก็จะสั้นลงสั้นลงก็เราก็รู้ความความเป็นอะไรนิดหน่อยชั่วเวลานิดหน่อยที่เป็นโผตภารลมนั้นน่ะรู้ความนิดหน่อยที่มันกระทบของลมนั้นน่ะของโผฏฐาพลมนั้นน่ะเราเรียกว่ารู้ลมสั้นหลังจากนั้น รู้ลมนั้นได้นิดหน่อยด้วยแต่หลังจากรู้ลมที่มันกระทบนิดหน่อยแล้วยังมีลมข้างในที่ไม่ได้เป็นโูธถ้าพารมแล้วทีนี้นิดหน่อยแต่มันเหมือนมีลมเข้าไปข้างในอีกที่เรียกว่าลมในสัญญานิมิตนี่เรียกเองที่มันมีลมเข้าไปข้างในที่ผ่านโูธถ้าพารลมไม่เยอะแต่มีลมเข้าไปข้างใน มีลมอยู่ข้างในลักษณะที่เขาเหมือนไม่ได้กระทบกับอะไรแต่ผู้รู้สามารถรับรู้ได้ว่ามีลมอยู่ข้างในลักษณะเข้าไปข้างในนี้กระสับกระสายลักษณะการซ่านเข้าไปลมนั้นเราเรียกว่าลมในก็ได้ผู้รู้ก็ทำหน้าที่อะไร ผู้รู้ก็อยู่ที่ไหนนิมิโืมพอรู้โผล่ตพารอมเสร็จโพล่ตพารมคตรจบกิจแต่ไม่มีลมออกใช่ไหมแต่มันมีลมอะไรบางลมที่ไม่ใช่โพล่ตพารอมข้างในเคยเจอไหมเคยรู้สึกไหมว่ามีจิตผู้รู้เข้าไปรับรู้บางอย่างข้างในที่ไม่ใช่โพล่ตาพารอม อันนั้นก็เป็นลมอย่างหนึ่งซึ่งลมนั้นผู้รู้จะทำหน้าที่ในการสังเกตไม่วิ่งเข้าไปรู้เพราะผู้รู้อยู่ที่ไหนนิมิตโซนคำนี้มาแล้วคำนี้มาแล้วนิมิตรโซนกดไลนรัวๆคำนี้ อยู่ที่นิมิตรเข้าใจไหมเนี่ยเกิดบ่อยแต่ไล่ไม่ทันสภาวะตัวเองรู้นี่รู้ลมนิดเดียวอ๋อลมหยุดแต่ทําไมมันเหมือนตัวรู้เข้าไปรู้อะไรอยู่ข้างในอันนั้นน่ะอย่าวิ่งตามเข้าไปผู้รู้จะต้องอยู่เหมือนเดิมแต่ชําเลืองรู้ลักษณะชําเลืองรู้เข้าไป ตรับใดที่มันยังมีอยู่ก็ชำเลืองรู้ไปได้แต่เมื่อลมออกเกิดก็ไปที่โพธิพารมอย่างเดิมมันจะวิ่งไปอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาเฝ้าอยู่แล้วเขาอยู่บริเวณนิมิตอยู่แล้วตัวจิตผู้รู้ถ้าเราชำนานเรื่องโผธิพารมที่เป็นลมยาวตัวที่เป็นผู้รู้เขาจะมีที่อยู่ที่ชัดเจนโดยอัตโนมัติพอมีลมอย่างอื่นพอโพธิพารมมันสั้นลง เดี๋ยวมีลมที่ไม่ใช่โผทะพารล์เกิดจิตผู้รู้สามารถรับรู้ถ้าเขาไม่รับรู้ได้ยังรับรู้ไม่ได้แล้วก็รู้โผทะพารลมไปเรื่อยเรื่อยรู้โผทะพารลมไปเรื่อยเแต่ถ้าเขาไ่รับรู้มีลมที่ไม่ใช่โผทะพารมณ์เกิดเราก็สังเกตรู้ในลักษณะการสังเกตลมนั้น ไอ้ลมนั้นน่ะที่เกิดจากโพล่พาเกิดนอกเหนือจากโพธพาลมเป็นลมข้างในใช่ไหมไอ้โพธพาลมนี่เรียกว่าลมข้างนอกใช่ไหมสองลมเนี่ยเรียกว่าลมทั้งปวงอืเราขั้นนี้เราไม่ต้องไปเที่ยวกําหนดรู้อะไรแล้วเพียงแค่สังเกตลมที่เป็นโพธ่พารมกับลมที่ไม่ใช่โพธ่พารม ที่จิตผู้รู้เขารู้ได้ก็สังเกตคว้าวอยู่บริเวณนิมิตแล้วก็สังเกตลมทั้งสองส่วนนี้แค่นั้นอย่าไปอวดอุตริทำอย่างอื่นเพราะถ้าเราคว้าวสังเกตลมทั้งสองส่วนนี้สักระยะเวลาหนึ่งบ่อยๆมันก็จะเจอสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าลมหยุด อืมเข้าใจไหมซึ่งลมหยุดบางทีมันก็ปรากฏขึ้นอยู่แล้วหายใจออกก่อนที่จะมีลมหายใจเข้ามันก็มีลมหยุดใช่ไหมหายใจเข้าก่อนที่จะมีลมหายใจออกมันก็มีลมหยุดใช่ไหมเราก็เจอมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ไม่ใช่กิจไม่ใช่หน้าที่หน้าที่คือเมื่อเราสังเกตลมที่มันเป็นโผลตพารลมแล้ว เกิดลมอื่นที่ไม่ใช่โพธิภารมข้างในจิตผู้รู้ก็รับรู้ได้ด้วยเราก็สังเกตลมทั้งสองส่วนนี้นี่เป็นกิจแล้วสังเกตลมทั้งสองส่วนนี้อยู่ไปเรื่อยๆอย่างอื่นเข้ามาแค่รู้แ ค, ร แ, แค่รู้แลวปล่อยแค่รู้แลวปล่อยจนกระทั่งลมมัน้าลมมันหยุดหยุดจริงๆถ้าลมหยุดจริงๆเราสังเกตตรงไหนว่านี่คือสภาวะลมหยุด สภาวะลมหยุดที่มันมีสตินั้นคือสภาวะที่กายจะต้องนิ่งกายมีอยู่เหมือนไม่มีแค่รู้ว่ากายนี้มีอยู่อาจจะมีเวทนาก็รู้สึกได้แต่มันก็งั้นๆน่ะไม่สามารถที่จะไปก่ออารมณ์อะไรกับกจิตผู้รู้ได้มันรู้ว่ากายมีอยู่ แค่รู้ว่ากายนี้มีอยู่มันนิ่งมากนิ่งสงบมากพอภาวะที่กายมันนิ่งสงบมากเนี่ยมันเกิดภาวะลมหยุดจิตผู้รู้อยู่ไหนอยู่ที่บริเวณนิมิตแล้วก็สังเกตลมหยุดเป็นกิจขั้นต่อไปก็สังเกตลมหยุดไปเรื่อยๆเมื่อลมโผล่ถภาร ม, มากจุด ก็รู้แค่รู้ผุ้ตภดฟ้าลมแล้วก็สังเกตลมหยุดลมเข้ามาก็แค่รู้ลมเข้าแล้วสังเกตลมหยุดลมออกมาแค่รู้ลมออกและสังเกตลมหยุดจิตคือการสังเกตลมหยุดเมื่อสังเกตลมหยุดไอลมที่ไอที่จิตผู้รู้เขาเคยเข้าไปรับรู้เรื่องลมที่เป็นด้านในที่ไม่ใช่ผู้ตัดฟ้าลม ซึ่งมันละเอียดมากนั้นพอเราไปสังเกตลมหยุดไอ้ตัวนั้นจะทำให้จิตผู้รู้รับรู้ถึงสภาวะบางอย่างคือความแผ่ซ่านอะไรเนาะที่มันจะซ่านได้ขนาดนั้นในระหว่างนั้นอาจจะมีการโลดโผนนะเหมือนกับตัวลอยนะแต่พูดแล้วถ้าเกิดใครไม่มีอยากเข้าใจว่าตัวเองผิดนะ หรือว่าอยากจะตัวลอยไม่ใช่มันเป็นแค่ความรู้สึกโลดโผนก็ดีแป๊บๆก็ดีอะไรต่างๆก็ดีไม่ใช่กิดแต่ถ้ามันมีภาวะที่ว่ามันเกิดการแผ่สัน้นอิ่มเย็นไปทั่วร่างเลยถ้ามันเกิดอาการแผ่สั้นอย่างนั้นสังเกตมันเป็นกิดสังเกตมันเลยเป็นกิดสังเกตมัน เป็นกิสังเกตมันสังเกตมันสังเกตมันพอลมออกมาปั๊บรู้แค่รู้แล้วก็เกิดความแผลซ่านนั้นก็สังเกตมันสังเกตมันสังเกตมันจนแผลซ่านไปทั่วร่างแล้วมันเกิดสะบบตัวลงมาค่อยค่อยผ่อนเบาลงมากลับกลายเป็นความสุขก็สังเกตมันลงมาก็รู้แค่รู้แล้วก็สังเกตความสุขแค่รู้แล้วก็สังเกตความสุขแค่รู้ แล้วก็ขังเกตตัวสุขสุกค่อยๆพรแล้วก็สะโฮไปเอาแค่นี้ก่อนเข้าใจคำว่ากิจนะเข้าใจคำว่ากิจอย่าเผลอเข้าทำสิ่งที่ไม่ใช่กิจเพราะเมื่อใดที่เราเผลอทำสิ่งที่ไม่ใช่กิจเราก็จะหลุดจากอาณาปานสติ เราจะหลุดจากอานาปานสติเพราะฉะนั้นภาคบ่ายนี้เดี๋ยวมันจะมีตัวความง่วงนะเราพอเราเพ้องทานอาหารมาเราจะท้าทายกับเขาท่านต้องจําว่าความง่วงคือสภาวะตัวหนึ่งที่เป็นอันตรายต่ออนาปานสติเมื่อเขาเกิดเราต้องทํำยังไง ตั้งกายให้ตรงเนาะตั้งกายให้ตรงยกจิตผู้รู้เข้าไปสู่โภธาพารมแต่ต้องตั้งกายให้ตรงยกจิตผู้รู้เข้าสู่โภธัพารมตั้งกายให้ตรงยกจิตผู้รู้เข้าสู่โภธาพารมให้ได้ทำอยู่อย่างนี้จนชนะความง่วงเห็นความง่วงมานะมันไม่ง่วงตามเห็นความง่วงเกิดมันไม่ง่วงตาม เห็นเหตุของความห่วงก็รู้ว่าความห่วงกำลังจะเกิดแต่ติทรูมันจะไม่ง่วงตามนั่นคือการรู้เท่าทันสภาวะนั้นแล้วความง่วงมันก็เกิดขึ้นแล้วไปไงมันก็ดับไปความง่วงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในขณะที่จิตมันอยู่ในยังอยู่อยาอยาชั้นหยาบหยาบอยู่เลยนะ ถ้ามันลึกลงไปลมที่เป็นโผตัดปลายมหดสั้นลงสั้นล ง, ส, นลงสั้นลงละเอียดลงละเอียดล ง, ลดลงความงุ่มเข้าไม่ได้แล้วเกิดไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะกายมันกำลังจะระหับถ้ากายมันยิ่งใกล้ถูกความระหับของกายความง่วงมันอาศัยอะไรเกิดอาศัยกายเกิดมันเกิดไม่ได้ตตราบใดที่เรายังตื่นรู้กายอย่างเต็มที่เต็มตัวอยู่อย่างนี้มันจะเกิดง่ายมาก แต่ทักาะรู้อยู่ที่โพตพารลมจนกระทั่งกายกําลังจะเข้าสู่วความระครับความง่วงก็จะดีดตัวออกไปเราเคยภาวนาไหมภาวนาภาวนาไปรู้รู้สึกว่าความห่วงมันหายไปเฉยๆดีดปึง้งออกไปเคยไหมนั่นคือกายมันเข้าสู่ความรล้ครับไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าอะไรว่าความห่วงมันเป็นสภาวะที่อาศัยอะไรเกิด กเกิดเมื่อกายเข้าสู่ความรับความง่วงก็ดีตัวออกไปดีตัวออกไปเรานันตอนนี้ก็เราก็จะเข้าสู่การภาวนาในบัลลังก์ที่สองนั่งห้อยเท้าก็ได้นะโยมนั่งห้อยเท้าถ้านั่งแต่นั่งแล้วเนี่ยให้มันวางวางทิ้งวางตายวางทิ้งวางแบบโง่โง่เงีง้มตั้งเสร็จตั้ง ตั้งปล่อยมันชั่งมันให้กายตรงเพื่อจะให้มันเกิดการสมดุลทั้งท้ายและฝาพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญมากในเรื่องของการวางกายปลังกังงาพุชิตวานิสีตตินั่งคูวัลังอุจุงกายยังปานิทายะตั้งกายให้ตรงในชั้นเตรียมเนี่ยมันสําคัญแต่เรามันเป็นมืออาชีพแล้ว เข้าไปถึงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บชันเตรียมผ่านเลยฉันเตรียมผ่านเลยแล้วก็เข้าสู่ปริมุคขั้งสติโุปตะเปตวาเตรียมจิตผู้รู้ดํารงสติอยู่เฉพาะหน้านี้เตรียมจุดผู้รู้ให้จัดลําดับเข้าไปจนถึงสู่โพถัพพารมรู้ลมยาวแล้วใครที่เกิดลมชั้นก็รู้ลมชั้นเกิดลําดับอะไรให้เข้าใจว่า กิจที่จะต้องทำในเหตุอันนั้นคืออะไรแล้วก็ทำกิจนั้นไปในเบื้องต้นนี้รู้โพฏฐารมตามความยาวของระยะเวลาให้ได้ก่อนแล้วก็ตรวจสอบว่ามันไม่ได้ปักอยู่ที่นีมิดไม่ได้ปักอยู่ที่ลมยาวไม่ได้ปักอยู่ที่ลมออกมันไม่ได้ปักอยู่ที่โตฏฐารมแต่เขาทำหน้าที่เพียงแค่รู้ลมเอวิธี วิธีที่จะทำให้ผู้รู้ก็ทำหน้าที่เพียงแค่รู้ลมที่เป็นผลตับพารลมนั้นก็คือหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่ารู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกปล่อยลมให้ใสให้ไหลออกมาแล้วให้จิตผู้รู้คอยคว้ารู้ลมที่กระทบกับกายประสาทส่วนใดที่เขากระทบจริงๆและจิตผู้รู้เข้ารับรู้ได้แล้วก็รู้สึกได้ถึงลมที่เขากระครูดออกไป ตั้งแต่ต้นจนสุดลมหายใจที่ไหลออกทำอย่างนี้สองสามคู่หลังจากนั้นก็รู้ลมที่คลูดเข้าลมกระทบที่ก็คลูดเข้าทำยาวๆสักสองสามคู่ลมด้วยการกำหนดลมให้ยาวแต่จิตผู้รู้จะไม่ใส่ใจการกำหนดนะ สืบผู้รู้หน้าที่แค่รู้ลมที่กระทบเมื่อเราทำลมยาวๆสามคู่ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ปรับให้ลมเป็นลมธรรมดาแล้วก็ความรู้ลมนั้นชนิดที่เป็นโทัพภารลม จิตของเราไม่มีอะไรอื่นเลยความรู้ลมชนิดที่เป็นโพตพารมนั่นแหละสองคู่สามคู่สี่คู่ทำไปเรื่อยๆกายให้ตรงไว้นะตรวจจอบได้ให้จิตผู้รู้เข้าไปตรวจสอบกายดูความตรงของกาย ให้สังเกตรกระดูกคอต่อตั้งแต่กระดูกสลังยันกระดูกคอต่อว่าก็ตั้งตรงศีระก็ตั้งตรงได้ขนาดไม่ไปฝืนกับกระดูกคอต่อไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาอันนี้สามารถเอาจิตผู้รู้เข้าไปตรวจสอบดูได้นะเพื่อให้การตั้งกายตรงของเรามีประสิทธิภาพ จากนั้นก็น้อมจิตเข้าไปสู่โพธัพารลมรู้ลมที่กระทบแล้วก็คลูดออกตามระยะเวลาที่ก็คลูดออกไปนั้นแล้วก็ดูลมเข้าอันนี้เป็นกิจอะไรจะเกิดขึ้นเสียงอะไรจะเกิดขึ้นกลิ่นอะไรจะเกิดขึ้นความคิดจะหลุดไปอย่างไรก็ช่างไม่ใช่กิจ กแ็แค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้แล้วกลับมาทากิจคือรู้ลมเจ้นี้ที่เป็นโผตปารมไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องไปถวิลหา ไม่ต้องไปตั้งใจเจอไม่ต้องส่งความคิดออกไปเพื่อที่จะทําให้อะไรเกิดแต่ทําหน้าที่เพียงแค่รู้ลมที่เป็นโผตพภารมคือลมที่มันกระทบต่อกายประสาทและคลูดออกไปเรื่อยๆลมออกก็รู้ ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมเข้าก็รู้สองคู่แรกรู้สึกกายนิ่งสงหบจิตผู้รู้ที่รู้ต่อโผฏฐาพรมก็สงบ ลมโผตะพารมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นลมจนถุดลมเขาก็สะหบ เห็นความคิดในหัวของตนเองพอมันเริ่มจดสรงหกความคิดในหัวก็โผล่มันเหมือนมีความคิดอยู่ในหัวไม่ต้องไปใส่ใจหาว่ามันมันใช่ความคิดไหมหรือความคิดอะไรปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเราแค่รู้ลมที่เป็นโผตับพารม ผู้รู้ทำหน้าที่รู้ลมที่เป็นผู้ถัพพารมณ์ลมที่ผ่านจากการรู้จากความเป็นผู้ถัพพารมณ์ลมนั้นที่ไหลออกไปก็เป็นอดีตลมที่ยังไม่มาสู่การกระทบลมนั้นเป็นอนาคตจิตผู้รู้จะต้องไม่ใส่ใจไม่กัดแกงไม่คำนึงถึงลมเหล่านั้น ความรู้เฉพาะลมที่เป็นโผฏฐาพลมนั้นเป็นปัจจุบันถ้ามันชัดเจนเด่นชัดถึงความเป็นโผฏฐาพลมนั่นคือความแน่วแน่อยู่กับปัจจุบันถ้ามันเกิดการกวัดแกวง่งเดี๋ยวรู้โผฏฐาพลมบ้างเดี๋ยวไปรู้ส่วนอื่นบ้าง ก็ให้รู้ว่านั่นคือความกวัดแว่งของจิตก็แค่รู้ไม่ต้องไปทำอะไรอื่นนะไม่ต้องไปตั้งใจละเราแค่รู้เฉยๆมันสามารถที่จะเกิดการกวัดแวงได้เราแค่ปรับผู้รู้ให้เข้าสู่โถับภารมนั่น แตาเห็นกายสงบนิ่งดีแล้วกายสงบนิ่งก็ตรวจดูได้เอาผู้รู้ไปตรวจดูกายดูน้ำหนักของกายที่กดลงในส่วนบัลลังที่เรานั่งว่าเขานิ่งไม่อ่อนไหวไปกับเบธนาไม่ได้มีความปรารถนาอะไรเลย แค่รู้เห็นซึ่งกายที่นิ่งก็วางกายนั้นยกจิตผู้รู้เข้ามาสู่โผฏฐาพรมดังเดิมให้จิตผู้รู้รู้ลมที่เป็นโผฏฐาพรมนั้นต่อเนื่องไปตามระยะเวลาตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ลมหายใจออกที่ไหลออกไปแล้วไม่ใช่กิจที่จะต้องไปรู้ถ้าผู้รู้ตามลมหายใจออกที่ออกไปแล้วสักพักหนึ่งถีมิทะจะเกิดถ้าจิตผู้รู้ตามลมเข้าที่เป็นโผตพารณมและลมเข้าที่กระทบผ่านเข้าไปแล้วยังตามไปอยู่ อันนั้นเป็นจิตผู้รู้ที่จมอยู่กับอดีตถักพักหนึ่งจะเกิดถีนมิธาเราไม่ปล่อยให้ผู้รู้เป็นแบบนั้นเพราะมันไม่ใช่กิตก็แค่กับยกจิตผู้รู้มาสู่โผฏฐาพรมเท่านั้นขณะที่จิตผู้รู้รู้โผฏฐาพลมของลมที่ไหลออก แล้วไปทวินหาลมเข้านั้นจิตก็หลุดจากโผฏฐารม์เรียวกว่าออกจากปัจจุบันขณะที่จิตผู้รู้รู้โผฏฐารมของลมออกแล้วไปทวินหาลมเข้านั้นก็ออกจากโผฏฐารม์เรียวกว่าออกจากปัจจุบัน เราไม่ต้องทําอะไรอื่นเมื่อมีสภาวะแบบนี้ปรากฏเราก็แค่รู้ลมที่เป็นโผฏฐารมณ์ตามความเป็นจริงลมออกที่กระทบกับกายประสาทเราก็เฝ้ารู้ลมนั้นลมเข้าที่กระทบกับกายประสาทเราก็เฝ้ารู้ลมนั้น จะรู้สึกว่ามันเบลเบลเบาเบาก็ดูว่าปลูกฉันทะขึ้นมาด้วยการน้อมรู้สำรวมรู้รวบรวมรู้ที่เข้าไปตรงต่อโพธภารมให้เหมือนกับไฟฉายที่มันสาดซองออกไปแล้วเราก็หมุนตรงหัวไฟให้ลำแสงนั้น ก็ค่อยย่นย่อเข้ามาเหมือนกับรู้ที่รู้อยู่ลักษณะของความสํารวมรู้โน้มเข้าไปสบายๆนั่นแหละเรียกว่ามีฉันทะน้อมฉันทะเข้าไปตั้งเหตุเองฉันทะขึ้นมา กายยังตัวยังตรงอยู่กายยังสงบนะนิ่งอยู่ ด้วยความน้อมรู้มันจะเกิดสภาวะเหมือนกับปราโมททุกอย่างมันอ่อนอ่อนสบายสบายมันลงตัวกันไปหมดอันนั้นนะตรงนั้นนะเรียกว่าความปราโมท ผู้รู้เหมือนมีกำลังได้ทำหน้าที่เหมือนกับหลีกออกจากลมเหมือนกับผู้รู้เขาหลีกออกมาจากลมเองอยู่โมริเวณนิมิตแต่ไม่ปักอยู่ที่ใดที่หนึ่งอันนั้นเรียก ว, ว่าผู้รู้หลีกออกจากลมเล้าอยู่กับอูเบกขาเฝ้าอยู่นิ่งๆเหมือนกับทำหน้าที่เพียงแค่รู้ลมที่โผลัดพารลมนั่น ด้วยอำนาจของความปราโมทนะด้วยอำนาจของฉันทะด้วยอำนาจของความโปร่งเบาความลงตัวอ่อนๆแบบสบายๆก็เหมือนกับหลีกออกมาจากลมตรงนั้นเรียกว่าอุเบกขาปรากฏจิตผู้รู้ก็จะอยู่กับอุเบกขานั้นแต่ยังแค่รู้ลมที่เป็นโพธารมรู้ แต่ในลักษณะที่ไม่ได้กำหนดอะไร อันนี้เรียกว่าอุเบกขาสันถาติคืออุเบกขาก็ปรากฏสติไม่ใช่อุเบกขาแต่สติตัวรู้ก็จะเป็นตัวสตินั่นแหละปรากฏด้วยอุเบกขาปรากฏสติปรากฏอยู่ในฐานะของจิตผู้รู้นะั่นแหละ จิตผู้รู้ตอนนี้ก็ทำหน้าที่สองอย่างคือระลึกและก็รู้ระลึกด้วยสตินั้นรู้ระยานนั้นที่ตั้งอยู่บนอุเบกขามีอุเบกขาเป็นฐานทั้งสติและทั้งตัวระลึกและทั้งตัวรู้อยู่กับตัวอุเบกขาอันนั้นเรียกว่าหลีกออกมาจากลมจะทำหน้าที่คอยรู้ลมที่เป็นโพธิภารลม กายนิ่งยิ่งสงบ์กายยิ่งสง บ, บมากขึ้นจากภาวะของสันโตก็เ ข, เข้าสู่ความเป็นปณนีโตคือความปราณีตความปราณีตจะเกิดเมื่อจิตผู้รู้ก็ออกจากหลีจากลมหายใจมาอยู่กับอุเบกขาทำหน้าที่แค่รู้ลมที่เป็นโพธภพลมจริงๆเกิดความเบาปรง่งสบายที่ลงตัว อันเรียกว่าปราโมทด พอจิตผู้รู้ก็สงบ ป, ปราณีตผู้รู้ทำหน้าที่แค่รู้สิ่งที่ปรากฏเป็นเพียงแค่รูปและแค่นามตัวผู้รู้นั่นเป็นนามสิ่งที่ถูกรู้เป็นรูปลมที่เป็นโพธพารมก็เป็นเพียงแค่รูป ผู้รู้อาจจะรู้กายส่วนอื่นๆส่วนหนึ่งบางส่วนของกายบ้างที่ใดที่หนึ่งของกายบ้างหรือรู้ไปทั้งกายทั่วร่างบ้างกายทั้งกายนั้นก็เป็นรูปลมที่เป็นโพธิภารณมก็เป็นรูปผู้รู้ก็ทำหน้าที่แค่รู้ซึ่งกายเหล่านี้เรียกว่ารู้ กายเหล่านี้ก็เป็นเพียงแค่รูปทั้งลมที่เป็นโผฏฐาพารมณ์ทั้งกายส่วนอื่นๆทั้งลมที่ไม่ใช่โผฏฐาพารมณ์ที่ผู้รู้ก็สามารถรู้ได้นั่นก็เป็นเพียงแค่รูปผู้รู้เองก็เป็นนามตัวผู้รู้ก็เป็นนามสภาวะนี้อะไรเกิดขึ้นก็แค่รูปเกิดขึ้นนามเกิดขึ้น ะภาวะอื่นที่อาศัยรูปเช่นสภาวะทางเวทนาเกิดเป็นความอิ่มแผ่ซ่านความสุขความเบาความรู้สึกโลก่งความรู้สึกสง บ, บความรู้สึกสบายความรู้สึกเหล่านี้ก็เป็นนาง ตอนนี้ไม่มีอะไรอื่นเลยมีเพียงแค่รูปและนามผู้รู้เข้ารู้รูปตามความเป็นจริงนามตามความเป็นจริงรูปก็คือลมที่เป็นโภตาภารมและกายส่วนต่างๆ รู้เป็นจุดๆบ้างเป็นส่วนๆบ้างรู้ทั้งร่างบ้างก็สุดแท้แต่ที่จิตผู้รู้ก็สามารถรู้ได้ลมที่เป็นโู้ถภารมชันลงตามระยะเวลาและลมอื่นๆที่อยู่ภายในที่ผู้รู้ก็สามารถเข้าไปรู้ได้เราก็สังเกตเข้าไป ผู้รู้จะตั้งอยู่กับอุเบกขาในบริเวณนิมิตเบาๆสบายๆรู้สึกเบาโล่งโปร่งสบายๆความนิ่ง ที่ทรงตัวอยู่ของจิตผู้รู้นั่นเรียกว่าอุเบกขามันปรากฏอาการที่มันระลึกเข้าไปสู่โพธิปรารมก็ดีระลึกเข้าไปสู่กายส่วนต่างๆก็ดีอาการระลึกนั่นคือสติอาการรู้ในสิ่งที่ระลึกไม่ว่าจะเป็นโพธพารม ไม่ใช่ว่าจะเป็นลมอื่นที่มันระลึกลงไปได้และเกิดการรู้ขึ้นมาหรือระลึกไปตามกายส่วนต่างๆและมันเกิดการรู้ในส่วนที่ระลึกนั้นตัวรู้ในจุดที่ระลึกนั้นเรียกวายานสติและญาณปรากฏผู้ปฏิบัติตามรู้แค่รู้ ลมและกายทั้งหมดนั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณ น, นั้นอันมีอุเบกขาที่ปรากฏเป็นฐานรองรับอยู่ตัวจิตผู้รู้ก็จะเป็นอิสระจากการกำหนดของเจตนาต่างๆ ผู้รู้เข้าไปรู้เวทนาที่เกิดขึ้นที่กายบางจุดบางส่วนบางที่แต่ก็แค่รู้ว่ามันเป็นเพียงแค่เวทนาสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นมีกำลังไม่พอที่จะทำให้จิตผู้รู้เกิดการกวัดแกว่งได้จิตผู้รู้ก็ก็ทำหน้าที่แค่รู้และปล่อยไปในเวทนานั้นๆกายปวด ก็รู้ความปวดนั้นจิตไม่ปวดเพราะว่ามีอุเบกขาเป็นฐานอยู่ทั้งสติทั้งญาณที่วางอยู่กับอุเบกขาทำให้จิตผู้รู้เป็นอิสระไม่อยู่ในอำนาจของเวทนาทำหน้าที่แค่รู้เวทนานั้นแล้วก็วางมันไปจิตผู้รู้มีความว่องไวมากขึ้น รวดเร็วมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นต่อการรู้ลมที่เป็นโผฏฐาพลมและกายอื่นๆลมอื่นๆความรู้อยู่บริเวณนิมิตแล้วสังเกตทั้งลมและกายต่างๆที่จิตผู้รู้ก็สังเกตได้ เมื่อผู้รู้สังเกตรูปธรรมคือลมที่เป็นโพตพารณมด้วยลมภายในอื่นที่ละเอียดที่ไม่ใช่โพตพารลมด้วยที่เขาสามารถรู้ได้ก็คอยสังเกตหรือผู้รู้เขาไปรู้กายส่วนอื่นในขณะที่รู้ลม จนสุดลมที่เป็นโพตพารมจะผู้รู้ไปรับรู้รูปรธรรมในส่วนที่เรียกว่าสีรษะอาจจะเป็นส่วนตาส่วนหูส่วนผิวหนังส่วนแขนส่วนขาส่วนอื่นๆก็ทำหน้าที่แค่รู้ในลักษณะของการสังเกตเมื่อลมโพตพารมมาก็รู้ลมที่เป็นโพตพารม ก็โผฏฐาภรม์จบมีกายอื่นๆ อ, อาจจะเป็นลมละเอียดหรือกายส่วนอื่นที่จิตผู้รู้เข้าไปรับรู้ได้ก็คอยสังเกตไปทําหน้าที่แค่คอยสังเกตรูปประธรรมที่ผู้รู้เข้าไปรับรู้ซึ่งรูปธรรมทึ่งเป็นทิงที่ถูกรู้นั้นปรากฏตามความเป็นจริงไม่ใช่จากการกําหนดขึ้นของเราก็แค่รู้ โพภารมด้วยลมอื่นๆด้วยส่วนกายอื่นๆด้วยไม่ใช่พยายามไปรู้แต่จิตผู้รู้ก็เข้ารับรู้ของเขาเองเราก็สังเกตไปแต่เมื่อโพภาร ม, มาเราก็รู้ลมและกายอื่นๆซึ่งรวมเรียกว่ารู ป, ปรธรรมไม่ใช่เราเป็นเพียงแค่รู ป, ปรธรรมที่มีการเกิดขึ้น ให้จิตผู้รู้เข้าไปรับรู้ได้และดับลงไปตามเมตตามปัจจัยสังเกตอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เมื่อสังเกตรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นลมที่เป็นโภตาภารมไม่ใช่โภตาภารมหรือกายส่วนอื่นๆได้ชัดเจนอย่างนั้นเกิดสภาวะที่ทุกอย่างหยุดชะงักลมก็ไม่มีจิตผู้รู้ ที่เข้าไปรู้กายต่างๆก็รังหับไปจิตผู้รู้ที่เฝ้ารู้อยู่ตรงนิมิตบนฐานของอุเบกขาเห็นถึงความนิ่งสงบของรูปธรรมเราก็สังเกตสังเกตความนิ่งสงบของรูปธรรมคือภาวะที่ลมมันหยุด ภาวะที่จิตผู้รู้คนนิ่งอยู่กับตัวของผู้รู้เองอยู่บนอุเบกฐานั้นบริเวณนิมิตความรู้สังเกตความนิ่งสงบสังเกตความนิ่งสงบถ้ามีลมพุทตภารลมมาพื้ก็แค่รู้ ถ้าทุกอย่างนิ่งสงบเราก็สังเกตความนิ่งสงบนั้นจะเรียกว่าเอาความนิ่งสงบมาเป็นอารมณ์ก็ได้แต่ไม่ปักลงไปในความนิ่งสงบผู้รู้ที่มีอุเบขาเป็นฐานก็สังเกตความนิ่งสงบนั้นไปเรื่อ ย, เ, อยเมื่อมีลมก็แค่รู้ลมออกก็แค่รู้ที่ผูตัพพารม ลมเข้าก็แค่รู้ลมออกก็แค่รู้แล้วสังเกตความนิ่งสงบของลมสังเกตความนิ่งสงบของจิตผู้รู้จิตผู้รู้ก็จะนิ่งสงบอยู่กับอุเบกขามันออกมาจากรูปธรรมเป็นอิสระจากรูปธรรมมันก็จะนิ่งสงบ สังเกตความนิ่งสงบความอิ่มตัวเ บ, บาๆความอึบอิ่มความอิ่มตัวเ บ, บาๆ ค่อยๆเกิดขึ้นมาจากความที่สังเกตความนิ่งสงบมีลมเบาๆบางๆปรากฏก็แค่รูนะ้ให้สังเกตความเอิบอิ่มเบาๆที่ปรากฏในท่ามกลางของความสงบเหมือนพระจันทร์ ที่คอยๆโผขึ้นมาในถ้ากลางความมืดมิดเหมือนจิตที่คอยสังเกตความนิ่งสงบนั้นแล้วมีความเอิบอิ่มค่อยๆโผลขึ้นมาความเอิบอิ่มนั้นมีลักษณะที่ค่อยๆแผ่ช่านไปก็สังเกต ถ้าความเอบอบิ่มยังไม่ปรากฏก็ทาหน้าที่แค่สังเกตความสงบของผู้รู้ที่นิ่งสงบแล้วก็สังเกตอยู่กับความนิ่งสงบนั้นถ้ารู้ประธรรมอันใดปรากฏก็แค่รู้ ลมปรากฏก็แค่รู้ ให้ผู้รู้สังเกตความสงบมีเวทนาอันใดปรากฏผู้รู้ก็สามารถที่จะทำแค่รู้ในเวทนานั้นๆแต่ไม่ปล่อยให้เวทนาเป็นใหญ่หรือไม่ปล่อยให้ผู้รู้จมอยู่ในเวทนาใดๆทำหน้าที่แค่รู้เวทนานั้นๆแล้วก็ปล่อยไปและผู้รู้ก็ทำหน้าที่ สังเกตความสห บ, บลมหายใจปรากฏก็แค่รู้ลมในขณะที่สังเกตความสห บ, บนั้นผู้รู้จะต้องเมื่อมีลมจะต้องรู้ลมไม่ห่างออกไปจากลมแต่เป็นอิสระจากลมเป็นอิสระจากลม ท้งลมออกเล่นลมข้าวแต่ไม่ห่างออกจากลมเป็นอิสระจากลมแต่ไม่ห่างออกจากลมได้ทำหน้าที่สังเกตความสงบความสงบในที่นี้คือจากการที่จิตผู้รู้สงบจากรูปธรรม รูปธรรมก็คือลมออกลมเข้าที่เป็นโพตพารณมและลมอื่นที่ไม่ใช่โพตพารณมที่จิตผู้รู้สามารถเข้ารับรู้ได้จิตผู้รู้จะมีอิสระออกมาจากรูปธรรมอยู่กับอุเบกขาแต่ไม่ห่างออกจากลมแต่เป็นอิสระจากลม ถ้าความเอิบอิ่มโผล่ขึ้นผุดขึ้นจะพื้นของความสงบ ก, ก็ค่อยๆสังเกตความเอิบอิ่มนี้จะค่อยๆแผ่ซ่านไปทั่วความสงบ แผ่ซ่านไปที่กายผู้รู้เข้ารับรู้ได้ในลักษณะของความแผ่ซ่านไปแม้มีอาการอย่างอื่นที่เป็นสภาวะเช่นเย็นร้อนก็ไม่ไปติดในสภาวะนั้นก็แค่รู้ ไม่ห่างออกจากลมเป็นอิสระจากลมเมื่อลมมาก็รู้ลมออกก็รู้ลมเข้าก็รู้แต่ผู้รู้เป็นอิสระจากลมเป็นอิสระจากรูปธรรมอยู่บริเวณนิมิตมีอุเบกขาเป็นฐานทำหน้าที่แค่รู้และก็สังเกตความสงบ ต็นนี้ค่อยๆคลายจิตผู้รู้ยกมาสู่มือข้างฝานะ้ข ย, ยับปลายนิ้วมือฝาให้จิตรู้สึกแล้วค่อยๆยกมือขวาขึ้นเคลื่อนไปทาง วางไว้บนขาข้างขวาช้าชาให้จิตรู้สึกให้ยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึก ค, ค่อยยกมือซ้ายขึ้นเคลื่อนมือซ้ายไปวางไว้ที่ขาข้างซ้ายให้จิตรู้สึกยกจิตผู้รู้มาบริเวณใบหน้าแล้วก็ประหกหน้านิดหนึ่งดึมตาออกจากสมาธิ ก็ดีใจกับคนที่เห็นถีนมิทธะดีดออกแล้วก็ดีใจ กับคนที่รู้สึกตัวว่าถูกถีนมิทธะครอบงำแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาดีใจกับคนที่เห็นลมสั้นเกิดดีใจกับคนที่มีเวทนาเห็นเวทนาแล้วเวทนาไม่ทำร้ายจิตผู้รู้จิตผู้รู้ไม่จมอยู่ในเวทนา ดีใจกับคนที่จิตผู้รู้สามารถรู้กายส่วนอื่นในขณะที่รู้ลมอยู่เขาสามารถที่จะไปรู้กายส่วนต่างๆได้และดีใจกับคนที่สามารถรู้ทั้งลมด้วยกายส่วนอื่นด้วยทั้งกายแล้วก็ดีใจกับคนที่สามารถรู้ลม แล้วก็ผู้รู้วางรู้จากรูปธรรมแล้วก็หลีกตัวออกจากรูปธรรมจิตผู้รู้มีอิสระจากรูปธรรมคือลมและกายอื่นๆได้เออมีแต่เรื่องดีใจเนาะส่วนคนที่หลับก็ดีใจที่ที่ได้รู้ตัวที่รู้ตัวว่าหลับนี่แหละมันท้าทายการนั่งหลังอาหารนะ อันพ mm ักสิบห้นาที